FM 96เมกะเฮิรตซ์และก็สถานีวิทยุชุมชนมูลนิธิบุญญาพรวัสดุพนารามคลื่น FM 90.7 เมกะเฮิรตซ์ขนาดนี้ขนาดนี้ได้เวลาอันสมควรผมขออรัชนาหลวงพอ่อประมุขประมุขโชว์ได้โปรดแสดงธรรมนพิธีการครับครับครูบาอาจารย์แานสาธารณะทุกทุกรูปจเจริญพรยรยายมทั้งหลาย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 ค่อยๆฝึกนะมนจะพจ้นจากกิเลสพล้นจากความปรุงแต่งว่ามีกิเลสมันก็มีความปรุงแต่งมีความปรุงแต่งมันก็มีขันขึ้นมามีขันขึ้นมามันก็มีทุกข์ขึ้นมานถ้าพ้นจากกิเลสได้ก็พ้นสิ่งเหล่านี้ไปด้วยหมดความปรุงแต่งหมดความยึดถือในรูปธรำำรมนามาทมในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจิตใจก็ได้รับอิสระภาพาจิตใจเป็นอิสระจิตใจไม่มีภาราะที่จะต้องแบกหามสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ใจที่หมดกิเลสนะก็เป็นใจที่หมดภาระใจที่มีกิเลสอยู่เป็นใจที่หิวหิวตลอดเวลามีความต้องการเกิดขึ้นตลอดเวลาอยากโน้นอยากนี้อยากโน้อนอยากนี้ตลอดพอความอยากเกิดขึ้นใจก็เกิดความดิ้นรนใจที่เกิดความดิ้นรนก็ไม่สงบสุขหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้เพราะนั้นเราก็เลยไม่เห็นนิพพานแล้วใจเราพ้นจากกิเลสเมืเ่อไรใจก็พ้นจากการดิ้นรนปรุงแต่ง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 เขหลงง่ายะไม่รู้ว่าสุขหรือทุกข์หลงเพลินๆไปวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าเราคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตคอรู้ทันไม่ยากะใครไม่รู้จักโทสะใครไม่รู้จักโกรธมีใครไม่เคยโกรธไหมมีใครไม่เคยอิจฉามีไหมใครรู้จักว่ากลัวเป็นยังไงยกมือขึ้นซิกลัวนี่หลวงปูกหลวงพ่อหลอกแล้วใช่ไะมเมื่อถามใครไม่รู้จักโกรธเฉย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 จะเอเวลาไปนั่งสมาธิพิจารณากายอะไรเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาก็ทำกรรมฐานแบบคนอนาถาหน่อยนะไม่มีเวลาภาวนาในรูปแบบมากมายนะักทำไปแบบยากจนคือดูลงปัจจุบันไปนะค่อยสังเกตจิตใจของเราไปเลยจิตมีราคะขึ้นมารู้ทันจิตมีโทสะขึ้นมารู้ทันจิตหลงไปรู้ทันจิตหลงใครไม่รู้จักจิตหลงบ้างจิตหลงมีทั้งหมดหกแบบหลงไปดู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 บางคนก็โมโหตัวเองก็มองตัวเอ ง, อ ง, เองด้วยความสงสารมันบ้างนะร่างกายนี้ก็ทุกข์จิตใจนี้ก็ทุกข์นะอย่าไปเกลียดมันเลยอะไรนี่ก็เป็นวิธีอีกอย่างหนึ่งน ะ, จะเจริญเมตตาเข้าจิตก็สงบได้บางคนฟุ้งซ่านมากนะวันวันึงเหลิงหลงและเริงไปเรื่อยนะพิจารณาความตายทำมรณสติคิดว่าโอ้ไม่นานก็ตายนะจะแก่งแย่งชิงดีอะไรกันนักหนานะีความอยากแก่งแย่งชิงดีมันก็ลดลงจิตก็สงบ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 เราจะสู้ความหลงผิดนะความไม่รู้ในความจริงของชีวิตความไม่รู้อริยสัจสี4นะอริยสัจสี่ข้อแรกเลยชื่อว่าทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือกายกระใจของเรานี่เองที่เรามีอยู่นี่แหละคือตัวทุกข์คำว่าทุกข์ไม่ใช่แปลว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างนั้นนะนะคว่าทุกข์ในนิยามของตัวอริยสัจเนี่ยหมายถึง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 ไม่รู้ว่าอะไรจะเหมือนนครูบาอาจารย์หลวงพ่อบางองนะไปหาท่านนะไปถึงแนละท่านพิการเลยนะตอนนั้นอย่างหลวงปู่สุวัตหนะลวงปู่สุวัตนะพิการนั่งบนรถเข็นไนปะไปอยู่กับท่านแนละ้ท่านมาโอ้สุกแท้นาะสุขแท้นาะเราดูท่านสุขได้ไงนาะท่านไม่สบายขนาดนั้นนะเลยครูบาอาจารย์นหลวงปู่สิมหลวงพ่อไปเลกศิลป์หลวงปู่สิมมาทางนี้ต้องไปหาหลวงปู่สิม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 สิบหรอสิ้าท่าน <15. S 1> ครับสิบห้าองว่ามาเอาท่านที่หนึ่งไวๆวนะเดี๋ยวเราปับตัวตกลับ<ร>นักพัการท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงโยมได้ติดตามฟังได้ติดติดตามศึกษาจากหนังสือของท่านอาจารย์เกือบจะทุกเล่มนะคะฟังซีดีเกือบจะทุกแผ่นแล้วก็ได้ปฏิบัติตามคำสอนของท่านอาจารย์แต่ว่ามีความสงสัยอยู่นิดหนึ่งคือว่า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 เห็นกระทง h ลอยมานี่สวยเนี่ชอบนะโดดลงไปเผื่อมีสตังค์โดดตุ๊บลงไปในน้ําลอยไปกัดกระทงอย่างนี้ไม่ได้จิตเราไหลลงไปแนบแนวรมจิตเราต้องอยู่บนบกนะเห็นสิ่งต่างๆไหลมา ไ, ไหลไปไหลมาไหลไปเราอยู่บนบกนะโ อ, โ อ, อย่าให้จิตถลําลงไปในกายนะของโอยมจุดที่มีปัญหาอยู่คือจิตมันชอบถลําลงที่กายไม่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะฝึกตัวนี้ให้มากะ ต้องพยายาม e แก้ตรงนี้นะคะให้รู้ท<ช>ันจิต <éger S 1> ที่ถลมลงไปมันจะถอนขึ้นเองอย่างพอบอกโยมปุ๊บโยมหลุดออกมาแล้วนึกออกไหมกราบขอพระคุณค่ะท่านที่สองกราบน้ำสการพระอาจารย์ประโมทที่เคารพอย่างสูงโยมได้ฟังซีดีของพระอาจารย์มานานประมาณสามปีกว่าค่ะก็ได้ตามดู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 เราจะเห็นร่างกายนี้พยักหน้าเหมือนเราเห็นคนอื่นพยักหน้าไม่ใช่เราพยักหน้าแ่ละตอนนี้ใจแอบไปคิดทราบไหมดูออกไหมดูคิดไม่ออกดูกายไปนะขณะที่ดูกายก็ดูกายอครับอ่ะต่อไปนมัสการท่านอาจารย์ประโมส์พระโบโจนะครับผมได้รับหนังสือของท่านสมัยท่านเป็นเถวาดอยู่นะครับเป็น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 เมื่อผมอ่านก็เข้าใจบ้างนะครับแล้วก็ปฏิบัติแต่เมื่อสักต้นปีนี้ได้ซีดีนะครับของหลวงพ่อนะครับซึ่งงานศพของคุณแม่ผม mm. เพื่อนน้องสาวมาบอกให้แล้วผมไม่ได้ไม่ได้นะครับผมก็ไปยืมของเพื่อนแล้วก็มาเปิดก็เข้าใจดีกว่านะฮะอ่านหนังสือพราะอ่านแนละ้วมันง่วงมันก็หลับ mm. นะฮะ เมื่อฟังนั่งรถฟังก็เข้าใจ <Ừ. S 1> นะฮะแล้วพอมาสักสองเดือนเนี่ยเพื่อนชื่อสุเบนจาก็บอกผมว่าหลวงพ่อจะมาเทศทชี้เชียงใหม่แนะก็ขอผมตอนนั้นผมเอ่อผมเคยเป็นอาจารย์ที่แม่โจกแล้วก็ดูแลเรื่องห้องประชุมนะฮะก็อบอกว่าอยากจะขอห้องประชุมเพราะว่าที่มจไม่ว่างผมก็มันมีห้องเล็กประมาณสามร้อยก็บอกไม่พอ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 ญาติทำเลยนะครับนุ่ง ม, มาประชุมกันวางแผนในการเตรียมการครั้งนี้อย่างอย่างแบบอย่างดีครับทุกคนมีจิตอาสาที่จะมาช่วยซึ่งผมก็มีกิเลสนะครับแทนชาวเชียงใหม่นะครับว่าอยากจะขอนิ่บนท่านอาจารย์มาเชียงใหม่บ่อยๆนะครับเพราะว่าพวกผมเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะไปที่ชนบุรีนะครับไปก็ลําบากนะครับ <บ>นอกจากบางท่านนะครับ <ม 74. S 2> ก็เลยอยากจะขอเมตตาจากอาจารย์ว่าถ้ามา time, <c oughs> ีโอกาสมีเวลาก็กรุณาเด็กนากขอโทษนะครับที่ลูกของใครร้องอ้าวว่าไงโยมแล้วก็พอดี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 สามสิบเอ็ดมกราสองห้าห้าสี่ครับ <laughs> <laughs> พอดีพอดี <laughs> คือระหว่างนี้พวกเราภาวนานะ <laughs> ถึงคราวหน้าที่มาเจอกันเราควรจะดีกว่านี้ตอนนี้คนที่ฟังซีดีหลวงพ่อหรือฟังธรรมนะมาเจอตัวหรือไม่เจอตัวก็ตามแต่ละคนเห็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นนะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเอง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 ไปทำความสงบหนะ้าด้วยการเจริญเมตตานะหลัดจากนั้นเนี่ยดูกายที่ทำงานไปเรื่อยๆแนละ้วด้วยใจที่ตั้งมั่นขึ้นมาไปฝึก อ, อย่างนี้นะค่ะคนต่อไปกราบนมำพรานหลวงพ่อนะคะตันนี้เต็มเป๊นะไม่ไม้มีโอกาสฟังเสีองหลวงพ่อประมาณสี่เดือนมาแล้วนะค ะ, ะและ้วก็พยายามให้จะปรับพี่จะเข้ามาใช้กับตัวเองนะคะตัวเองเป็นคนที่มี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 ก็จริตนิสัยมันไม่ไม่ร้อยเปอร์เซนต์ว่าทางใดทางหนึ่งมันมีทั้งสองทางนะครับครับขอบคุณครับกับนมาส ก, การหลวงพ่อคะ่ะคือจะนะขอแป๊บหนึ่งคนที่เพิ่งส่งการบ้านเสร็จจิตหนีไปไหนเออวให้รู้ทันนะใช้ได้ะจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อคะว่าที่ปฏิบัติอยู่ถูกแล้วหองถูกแล้วล่ะ นะไปดูบ่อยๆนะอย่าขี้เกียจ น, น ะ, ะงูแห้งขี้เกียจไปนิดนึงไปติตไปคองอะไรหรือเปล่าคะจิดไปติดอะไรหรือเปล่าไม่ติดแต่ว่าแรงมันน้อยแปบต้องทำสม่ำเสมอนะอรู้สึกไหมไม่ค่อยมีแรงใช่ค่ะใช่สิไม่หลอกหรอกเพราะฉั้นทำสม่ำเสมอนะทุกวันทุกวันไหว้พระสวดมนต์ดูจิต ด, ดูใจมันทำงานนะต่อไปใจจะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้น อย่าไปกดอย่างนั้นไม่เอาอย่างนั้นไปเพ่งไว้นะปล่อยไปค่ะนะอ่ะท่านต่อไปกราบน้ารสการหลวงพ่อค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาส่งกันบ้านแล้วก็มาพบหลวงพ่อค่ะเอยนะเลยนะขอเวลา น, นอกนิดนึงคุณเสื้อเหลืองรู้สึกไหมเพ่งอยู่กดอยู่นะตรงนี้ถ้ากดจนเคยชินแบบเผลอเลอแล้วก็ยังกดเนี้ยแส ด, ดงว่าปิดเพ่งอ่ะนะ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 เยอะมากจนไม่คิดว่าตัวเองจะฟุ้งซ้านได้เยอะขนาดนี้ดีนะดีแล้วคือช่วงแรกคิดว่าตัวเองคงเงียบเ<ๆ>งียบเนี่ยค่ะพอเห็นแล้วโอ้โหฟุ้งซ้านก็มาครบเลยค่ะทั้งโลภะโทสะโมหะเป็นหลักเลยค่ะแล้วก็อช่วงแรกนี่ดูได้แบบดูดูคล่องนะคะแต่พอมาช่วงหลังเมือม่อเมื่อต้นปีเนี่ยตอนกลางคืนเวลานอน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 ร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะสังขารที่ปรุงเนี่ยอีกส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูอยู่ตสหะเวลาเขาแยกก็ช่างเขาแยกก็ดีเวลาเขาไหลไปรวมรู้ว่ไหลไปรวมอย่ายากแยกถ้าอยากให้แยกออกนะมันจะไม่ยอมแยกอีกเลยค่ะอยากเห็นอีกนั่นแหละมันอยากความอยากมันบงังไว้หมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนเออเออดูอ ด, ดูไม่ค่อยหละไม่ไม่ไมค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่มาเป็นหลายเดือนนะฮะมั น, ม, นมันเหมือนไม่จิตเหมือนอย่างนี้เลยจิตเหมือนตอนนี้ไหม ตอนตอนนั้นไม่ใช่ค่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งคือไม่ใช่ไอ้ที่ว่าเออเออหลายเดือนอ่ะไม่ไม่ใช่ค่ะตอนนี้ช่วงระยะนี้จะไวขึ้นค่ะแต่มีอยู่เวลาลที่มันยังมีเขาของความเออเหลืออยู่นะเพราะฉะนั้นโยมพยายามรู้สึกร่างกายให้ชัดขึ้นเคลื่อนไหวรู้สึกตัวกระตุ้นความรู้สึกตัวให้มันคมชัดกว่านี้นิดนึง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 อ่ะหมดแล้วยังมีอีกไหมได้กี่คนแล้วเราพ่าก็ลืมไปเมื่อวันจัน์เทศภูพิงค์นะเขาบอกมีสิบคนแต่เราก็ถามไปเรื่อยเรเราก็ลืมแลมันไปสระ บ, บุรีมาเขาก็มีไม่กี่คนนะที่นั่งรออยู่เสร็จแล้วก็ยกกันทั้งห้องเลยแต่วันนี้ไม่ได้วันนี้เดี๋ยวต้องไปรีบไปขึ้นเรือบินอ่ะท่าระธานท่านาจารประโมทครับก็ผมได้ ฟังธรรมะของท่านอาจารย์มาประมาณสองเดือนเศษซึ่งก่อนหน้านี้นีฟังจากปกลไกลวิทยุของสถานีของวัดท่าพระสุเทพพอฟังก็รู้สึกว่าธรรมะของท่านอาจารย์จะถูกจริตในปากไม่ทราบก็ไปคนในเว็บไซต์เอาแคปเล็กๆไปอัดในเว็บไซต์มาได้มาประมาณสามม้วนก็ไม่เปิดฟังท่านอาจารย์สอนในนั้นว่าวิธีการเจริญ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 สติก็ไม่ค่อยเกิดค่ะเคยไปที่ปฏิบัติเดยอชื่อนะเดี๋ยวปฏิบัติว่าไปเคยปฏิบัติที่วัดหลวงพ่อครับเ่อสองปีที่แล้องั้นเอ่ยได้เนื่องาไปปฏิบัติวัดโนนวัดนี้แล้วจะมกว่าวัดเขาไม่ได้นะค่ะแต่ละที่เขาก็ดีของเขาแหละแล้วไงตอะนั้นตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่าให้หนูดูจิตไปเลยเพราะว่าคิดเยอะคิดเยอะเกินนะคะสังเกตความเปลี่ยนแปลงออกไหม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 ทำตัวเป็นแค่คนดูดูอยู่ห่างๆนะอย่าให้ใจไหลตามมันไปดูอย่างนี้เรื่อยๆอย่างตอนเนี้ยใจไหลมาที่หลวงพ่อแล้วรู้สึกไหมเออให้รู้ทันเพิ่งรู้ค่ะฮะเพิ่งรู้ตอนอ๋อเพิ่งรู้เมื่อบอกยังดีบางคนบอกแล้วยังไม่รู้เลยหลวงพ่อมีอะไรแนะนํอย่างเพิ่งรู้แม้ไปตั้งเยอะแล้วไปทําต่อจำไว้นะพูดให้ช้าลงพูดพลอๆไว้เนีอ้าวต่อไปต้องประกอบด้วยเมตตานะ อย่างบางคนเขาฟังเราเราก็ว่าเขาน่าจะรู้เรื่องแล้วแล้วเขารู้เรื่องเท่าเราเขาเก่งเท่าเราสิกาดนามสการพระหลวงพ่อคะ่ะเ อ, อโยมติดสมถะมา20ปีคะ่ะอืหลวงพ่อติด22เนี่ย <laughs> แล้วก็5ปีผ่านมานี่เริ่มพิจารณาธาตุค่ะได้ปีปี47นี้เริ่มเห็นกายกับจิตยแยกกันเ อ, อ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 ขามาส ก, การครับหลวงพ่ อ, อจริงๆผมลุ้นสองผลแล้วครับ<ะ>คือผมเป็นคนสุดท้ายครับที่จะได้ถามหลวงพ่อนะครับอตอนแรกก็ลุ้นว่าจะได้ถามไหมครับจะถามหลวงพ่อให้รับสั้นที่สุดนะครับววคือเริ่มต้นว่าการปฏิบัติของผมเนี่ยเมื่อก่อนนี้จะเน้นทางวัดป่า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 รู้สึกไหมจิตมันกระจายออกข้างนอกครับถ้าจิตกระจายออกข้างนอกอย่างเนี้ยมันจะมีแต่ความสุข <ทะ S 2> มันจะสบายแล้วเพลินเลินไปวันหนึ่งวันหนึ่งนะทนวนกลับเข้ามาดูกายมีแต่ทุกข์นะดูจิตมันทํางานไม่ท้อถอย<ท>ะนะไม่งั้นมันจะมันจะเพลินเลินเบาเบาสบายสบายอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตัวนี้จะติดความสุขครับนะกลับมารู้สึกกายบ่อยๆนะ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 แดหลวงพ่อปราโมทปราโมชโชขอหลวงพ่อได้โปรดรั บ, พ, บ, รบพระไตรปิวรวนรนเครื่องปัจจไยรยธรร ม, รมกับของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุข